คุณร้อยบทที่เราได้สาธยายเมื่อสักครู่เป็นคำสรรเสริญของอุบาสกท่านหนึ่งนะในสายวัฏฏการนั้นท่านมีศรัทธาในพระพุทธเจ้านะแล้วก็ก็เลยสรรเสริญจำแนกพุทธคุณนะถึงร้อยประการซึ่งคงจะจำได้ยากนะ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 อัตตาตัวตนนะที่เคยยึดมั่นถือมั่นว่ามีนะมันก็สลายไปเมื่อไม่มีความถึงนแก่ตัวก็สามารถที่จะเอื้อเฟื้อเกือ้อกูลสรรพสัตว์ได้อย่างไม่มีประมาณนะเกิดจิตใจอันกว้างใหญ่นะไรขอบเขต เพราะถ้มีอัตตาตัวตนเนี่ยหรือมีความเชื่อว่ามีเนี่ยแล้วก็ยึดมั่นมันก็จะจากัดจิตให้ขับแคบเหมือนคุกที่ขังใจเอาไว้พอไม่มีตัวนี้ไม่มีกิเลสและไม่มีวิชาด้วยจิตก็แผ่กว้างไม่มีประมาณเกิดความเมตตากรุณาปัญญาที่ทำให้สงบเย็น ส่วนกรุณาทำให้สามารถบำเพ็ญประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางอันนี้จะว่าไปก็เป็นอุดมพรติตียงชาวพุทธนะชาวพุทธเราไม่ใช่เพียงแค่กราบไหว้พระพุทธเจ้าด้วยความศรัทธานะแต่ว่ายังพยายามพัฒนาตนให้หรือว่าเจริญรอยตามพระพุทธเจ้านะก็คือ มีทั้งปัญญาและกรุณาหรือพูดอีกอย่างก็คือว่าเข้าถึงซึ่งความสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์อันนี้ถ้าอจารย์วุฒธาทํานได้สรุปเอาไว้นะว่าชีวิตที่ดีงามชีวิตที่ประเสริฐก็มีได้แก่ชีวิตที่สงบเย็นและเป็นประโยชน์สั้นๆแต่ว่ากินความาวครอบคลุมนะถึงอุดมคติของชาวพุทธแล้วก็ สิ่งที่ควรจะบำเพ็ญปฏิบัติการพัฒนาตนเพื่อให้จิตเกิดปัญญาเข้าถึงความสงบเย็นนะซึ่งสูงสุดก็คือนิพพานเนี่ยผู้ยางก็คือเป็นการทำจิตนะส่วนการเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลผูอืนด้วยกรุณาไม่มีประมาณนะี้เรียกว่าเป็นการทำกิจ ท่พูดไปแล้วเมื่อวานว่าพุทธศาสนานี้ท่านสอนทั้งเรื่องการทําจิตและการทํากิจอย่าไปเข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องการทําจิตอย่างเดียวนะอันนั้นแคบไปชีวิตที่ดีหรือการบํรเพชนที่ดีเนี่ยนะมันก็ต้องมีทั้งสองอย่างนะทําจิตด้วยจุดหมายก็คือเพื่อให้เกิดปัญญา พาจิตเข้าถึงความสงบเย็นและขณะเดียวกันก็บำเพญตนเพื่อเกื้อกูลเพื่อมนุษย์นะพวกนี้ก็ไม่ต้องอย่าไปเข้าใจว่าต้องสงบเย็นก่อนถึงจะเป็นประโยชน์ได้หรือจะต้องมีปัญญาก่อนถึงจะบำเพญกรุณาเพื่อเพื่อมนุษย์ได้นะมันทำไปด้วยกันได้นะ อย่าไปเข้าใจว่าต้องนิพพานก่อนแนละถึงจะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้บางทีก็มีคําพูดมีความเข้าใจแบบนี้ว่านะต้องบรรลุนิพพานก่อนนะประโยชน์ตนสิ้นสุดแล้วถึงจะทําประโยชน์ท่านได้อถ้าพูดแบบนี้หรือเข้าใจแบบนี้ก็เหมือนกับว่าต้องเรียนจบปริญญาเอกก่อนถึงจะไปสอนอนุบาลได้เราก็รู้ใช่ไหมคนสอนอนุบาล น, นี่ไม่จเป็นต้องจบปริญญาเอกหรือว่าจบอุดมศึกษาก่อน ไม่มีเรื่องต้องเรียนแล้วเนี่ยถึงค่อยมาสอนอนุบาลคนที่สอนอนุบาล น, นี่ก็อาจจะจบปหนึ่งก็ไ้เองก็ได้จบปสีก็สอนอนุบาลได้เพราะว่าความรู้ที่มีก็มากพอที่จะสอนอนุบาลคนจบมัธยมก็สอนประถมได้นะไม่ใช่ว่าต้องจบปริญญาเอกก่อนะนะชั้นนั้กก็ฉันนั้นเนี่ยถึงแม้เราจะ ย, ยังไม่บรรลุนิพพานปัญญาเรายังไม่ถึงที่สุด นะแต่เราก็ยังสามารถเกื้อกูลผูื่นได้ก็ให้มีกรุณาก็แล้วกันแล้วกรุณานี่ก็มีอยู่แล้วในมนุษย์ทุกคนนะเพียงแต่ว่ามันอาจจะออกมาได้ไม่ไม่เต็มที่เพราะว่าความพิงกระตัวหรือว่าความยึดมัน่นอัตตาตัวตนนี่มันครอบเอาไว้มันสกัดเอาไว้แต่ยังมียังมีอยู่นะกรุณาแล้วก็ใช้กรุณานี่แหละนะอ่า บำเพ็ญและที่จริงเมื่อเราบำเพ็ญช่วยเหลือผู้ได้กรุณานมันก็ ช, ช่วยลดตัวตนด้วยช่วยละลายคลายความยึดมั่นในตัวตนในหรือความยึดแก่ตัวซึ่งจะเปิดช่องให้ปัญญานะเจริญงอกงามขึ้นในใจได้นะมันสัมพันธ์กันนะปัญญาก็ช่วยให้เกิดกรุณาที่บริสุทธิ์แล้วก็แผ่กว้าง ส่วนขนาะเดียวกันกรุณาเนี่ยก็ช่วยนะในการทำให้จิตใจของเราประนีตสงบเกื้อกูลต่อการเกิดปัญญาแต่ในรายเดียกันถ้าเราเกี่ยวข้องช่วยเหลือพูดบางอย่างรู้จักมีโยนิโสมณสิกการหรือรู้จักคิดนะมันก็ช่วยทำให้เราเกิดปัญญาได้เหมือนกันนะเช่นเห็นอ เวลาไปช่วยผู้อื่นแล้วเห็นเขามีความทุกข์นะมันก็สอนใจตัวเราเองนะว่าโอ้นี่เขาทุกข์นะเพราะเขายึดมั่นถือมั่นนะเขาทุกข์นะเพราะเขาหลงนะเขาลืมตัวนะอันนี้มันก็สอนใจเรานะสอนทําให้กับเราก็ทําให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจนะในความทุกข์ของตัวเองนะเห็นโทษของความยึดมั่นถือมั่นอันนี้มันก็นําไปสู่การ พัฒนาปัญญาให้เกิดขึ้นในใจของเราแล้วก็เข้าถึงซึ่งความสงบเจ็นท่า <Okay. S 1> นปัญญานี้เป็นเรื่องการอมองออกไปข้างนอกออกไปช่วยเหลือผู้อื่นส่วนปัญญานี้เป็นเรื่องการนี่กลับเข้ามาเพื่อฝึกฝนตนหรือว่าเคี่ยวเคี่ยวกรมตนเองคนเรามขาต้องมีทั้งสองมิตินะออกไป ในด้านนึ่งก็ออกไปข้างนอกเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นแต่อีกด้านนึ่งก็กลับมาที่ตัวเองนะมันจะขาดอันใดอันหนึ่งไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้นี่ก็ทําให้นึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งนะนะเป็นเรื่องของชายตาบอร์ดในประเทศจีนเมื่อหลายร้อยปีมาแล้วชายตาบอร์ดคนนี้วันหนึ่งก็ไปเยี่ยมเพื่อนก็สนทนากันเอารถออกชาตินะจนกระทั่งค่า ได้เวลาชายตาบาดก็ลาเพื่อนจะกลับละแต่ก่อนจะกลับเพื่อนนี่ก็ยื่นโคมไฟให้เป็นโคมกระดาษนะชายตาบอดว่ามาให้ฉันทำไมนะเพราะว่าฉันไม่ต้องการตาบอดใช่ไหมเพราะว่าตาบอดเพื่อนนี่นนในความมืดก็ไม่ต้องการโคมไฟเพื่อนก็บอกว่าถึง คุณไม่ใช้โคมนี้นะแต่ว่ามันก็มีประโยชน์สาหรับคนอื่นนะเพราะว่าถ้าคุณถือโคมไปกลางถนนเนี่ยคนอึ่งก็จะมองเห็นทางแล้วก็เขาก็จะไม่เดินชนคุณนันชายต่อบอ ก, ก็เลยถือโคมนะแล้วก็เดินกลับบ้านเดินไปพักใหญ่เนี่ย จู่ๆก็มีคนวิ่งมาชนตัวเองเนี่ยจนล้มเลยล้มทั้งสองคนเลยชายตาบอดโกรธมากแล้วก็หลุดปากขึ้นมาว่าไยแกตาบอดหรือไงไม่ไม่เห็นหรือไงฉันถือโคมอยู่อนะคนที่วิ่งมาชนก็ขอโทษข อ, ข อ, ขอโอยแล้วก็บอกวา่าโคมของท่านน่ะ น, นะมันดับไปนานแล้วนะนะเรื่องนี้ก็จบเท่านี้นะเราฟังดูแล้วเขาสอนอะไรเราไหม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 เขาต้องการความสว่างการถือโคมนี่ก็ก็เป็นการเอื้อเฟื้อคนเดินถนนด้วยถึงแม่ตัวไม่ต้องการใช้โคมก็ตามและประโยชน์นั้นก็ไม่ใช่เกิดแก่คนอื่นอย่างเดียวนะมันก็เกิดกับตัวเองด้วยเพราะว่าเมื่อคนุ่นก็เห็นทางเขาก็ไม่มาชนเราแต่ในระดักันเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเช่นมีคนมาวิ่งเดินชน นะชายตาบอดจนล้มเนี่ยชายตาบอดเนี่ยก็ไปโทษคนอื่นทันทีเลยนะว่าซุ่มซ่ามนะหรือตาบอดมาเดินชนได้ยังไงนะนะฉันถือโคมอยู่แต่ว่าชายตาบอดไม่รู้เลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเพราะโคมของตัวเองดับไปแล้วนะชายตาบอดนี่ไปโทษคนอื่นจนนะไม่เห็นความผิดพลาดหรือความบกพร่องของตัวเอง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 แต่ในยามมีเกิดปัญหานี่ก็จะจิต ก, ก็จะเพ่งออกไปที่ข้างนอกนะไม่กลับมามองตนแต่สิ่งที่ควรจะเป็นมากกว่าคือว่าในยามปกติก็นึกถึงคนอื่นนะช่วยเหลือเกือ้อกูลผู้อื่นแต่เวลาเกิดปัญหานี่ให้กลับมาดูตนนะเรื่องนี้เขาต้องเหมือนก็จะบอกเป็นไรว่าใครที่เวลามีปัญหาแล้วไม่กลับมามองตนเนี่ยก็คือคนตาบอดคนตาบอดนี่จะไม่เห็นความผิดพลาดของตัวเอง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 อันนี้จะว่าไปก็เป็นเป็นควรเป็นท่าทีของชาวพุทธนะก็คือนึกถึงประโยชน์สุขของผู้อื่นนะแต่เวลามีปัญหาก็ให้กลับมามองตนนะมันเป็นการทวนกระแสนะกกใในนทวนกระแสจิตใจคนทั่วไปจิตใจคนทั่วไปเนยนึกถึงตัวเองก่อนนะแต่ว่าเวลามีปัญหาก็ไปโทษคนอื่นอันทเราต้องการฝึกใจเนี่ยนะ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 เจ้านายไม่เป็นธรรมบ้างละนะแฟนไม่เข้าใจบ้างเราจะโทษคนโน้นคนนี้ตลอดเวลาแต่ว่าไม่กลับมามองตนาทั้งที่คนเราเนี่ยนะเมื่อใดก็ตามที่มีความทุกข์ใจเนี่ยนะนั่นเป็นเพราะาเราวางใจไม่ถูกนะเป็นสำคัญไม่มีใครขม้มยความสุขประจากใจเราได้นะถ้าหากว่าใจเราไม่ร่วมมือหรือว่าไม่เออ อ, อไปด้วย อาจารย์ชาติสารุตันพูดดีนบอกว่าไม่มีใครไม่มีอะไรบารมีับให้เราทุกข์ให้เราไม่พอใจได้มีแต่เขามาชวนให้เราไม่ไมพอใจอยู่ที่ว่าเราจะรับคําชวนหรือเปล่านะแปลว่าอะไรถ้าเราทุกข์ก็แปลว่าเราเนี่ยไปรับคําชวนนะถ้าเราไม่พอใจก็แปลว่าเราไปรับคําชวนของเขามันเป็นการเลือกของเราเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไปโทษใครก็ไม่ได้นะ ต้องกลับมาโทษตัวเองว่าเราไปรับคําชวนเขาทาไมนะไปรับคําเชิญเขาทาไมเขาไม่ได้บังคับเรานะเสียงที่ดังเนี่ยก็เพียงแค่ชวนให้เราไม่พอใจนะชวนให้เราหงุดหงิดนะเขไม่ได้บังคับแต่ถ้าเราหงุดหงิดถ้าเราไม่พอใจนั่นแปลว่าเรารับนะคําชวนคําเชิญของเสียงงั้นอย่าไปโทษเสียงนะต้องมาโทษใจเรานะ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 ทำให้เกิดความทุกมาเล่นงานจิตใจหรือซ้ำเติมตัวเองขุจาตรอดว่ามือที่ไม่มีแผลเนี่ยจับต้องยาพิษก็ไม่เป็นอันตรายยาพิษนี่มันอันตรายใช่ไแต่ว่าถ้ามือไม่มีแผลนะถูกมันสัมผัสยังไงก็ไม่เป็นอะไรนะแต่เมื่อมื อ, ม, อมือมีแผลเมื่อไหร่เนี่ยนะตอนนี้แหละนะจับยาพิษถึงจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นยาพิษเนี่ยมันไม่ใช่ เป็นปัจจัยสําคัญนะปัจจัยสําคัญก็คือมือที่มีแผลนะใจของเราก็ถ้ามีแผลนะเจออะไรเข้ามากระทบก็ทุกนะเจอเสียงมากระทบหูก็ทุกนะกายไม่เป็นไรแต่ใจนี่ทุกคําด่าคําว่านะก็เหมือนกันนะมันทําลายใจเราไม่ได้ถ้าใจเราไม่เปิดช่องให้ หรือถ้าเราไม่ร่วมมือกับเขาด้วยบ่อยครั้งนี้เราร่วง ม, มือคนที่ด่าเรานะร่วมมือด้วยการไปเอาคําด่าเขาที่มาทิ่มแทงใจตัวเองเขาด่าเพื่อให้เราทุกข์แล้วเราก็ทุกข์สนใจเขานะเพราะเรายอมร่วมมือเขามีส่วนร่วมนะหลวงพ่อเฟื่องโชตดีกศท่านบอกว่าเนี่ยคนที่ด่าเราเนี่ยเขาก็ลืมไปแล้วว่าเขาด่าอะไรเราแต่เราก็ทุกข์มันเหมือนกับว่าเขา ทิ้งเศษอาหารลงพื้นแล้วเราก็ไปเก็บมาใส่ปากเรานะหรือเหมือนกับเขาถ้าพูดให้หนาคือเขาถมน้าลายนะหรือเขาอ้วกลงพื้นเนี่ยแล้วเราก็ไปเก็บมาใส่ปากเรานะแต่แล้วเราก็ท้องเสียนะคำด่าก็เป็นงั้นแหละถ้าเราไม่เก็บเอามาคิดนะใจเราก็ไม่ทุกข์ใช่มแคเวลาเราทุกข์เนี่ยก็ต้องถามตัวว่าเราไป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 มีพระทิเบตท่านหนึ่งเนี่ยนะเมื่อพระมาณสัห้าสิบหกสิบปีที่แล้วเนี่ยท่า น, นถูกทหารจีนจับแล้วคงทราบว่าจี น, นี่เคยไปยึดครองทิเบตทุกวันนี้ก็ยังยึดครองอยู่เมื่อมาเกือบหกสิบปีมาละแล้วก็มีการจับพระทิเบตรทรมานอาจจะเพื่อให้บอกขุมทรัพย์หรือเพื่อให้เปลี่ยนศาสนาเปลี่ยนความเชื่อกันแล้วแต่ก็มีลามาท่านหนึ่งท่านถูก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 ตอนที่ถูกทรมานนะท่านกลับตอบว่าช่วงที่เลวร้ายที่สุดก็คือช่วงที่อาตมาเนี่ยมีความโกรธนะโกรธต่อผู้ที่ทําร้ายตมาอันนี้น่าคิดนะแทนที่บอกว่าเลวร้ายที่สุดตอนที่ถูกนะถูกทุบตีนะถูกเอาไฟลนนะเปล่าท่านบอกตอนที่ทนแย่สุดคือตอนที่โกรธคนที่ทํากับท่านอย่างนั้น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 ความทุกข์ใจเกิดขึ้นกับท่านและนั่นคือสิ่งที่แย่ที่สุดทุกกายไม่เป็นไรนะแต่ทุกใจนี่มันแย่นะอันนี้ชื่อว่าเราคงจะเห็นด้วยกับท่านนะทุกกายไม่เท่าไหร่นะแต่ทุกใจมันแย่นะแล้วความทุกคนเราที่ทนไม่ได้ยากคือความทุกข์ใจนะอทุกกายนี่ถ้าทุกกายอย่างเดียวนี้ไม่เป็นไรนะยังไหวแต่คนส่วนใหญ่เวลาทุกกายเนี่ยไม่ได้ทุกกายอย่างเดียนะจะทุกข์ใจตามไปด้วย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 กายปวยก็ปวดไปนะทหารจรีนจะทรมานท่านอย่างไรก็ปวดแต่กายแต่บางครั้งเนี่ยท่านเผลอนะเผลอโกรธก็จะปวดใจตามไปด้วยและอันนี้มันแย่กว่ามันแย่กว่าการที่ปวดกายอย่างเดียวอันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งนะที่อาตมาพอจะเดาได้นะว่าทําไมท่านหนึ่งบอกว่ามันเป็นช่วงที่เลวร้ายที่สุดเพราะว่าสามารถทําให้ท่านผิดศีลก็ได้หรือว่าสามารถ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 บางช่วงบางวันนี่เดินกันหนักมากนะอย่างปีที่แล้วนี่ก็เดินกันยี่สิบห้ากิโลนะแดด ก, ก็ร้อนนะแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่บ่นนะไม่บ่นนะเพราะว่าสนุกนะสนุกเดินกันไปก็บางทีก็กระซ้าเย่อแย่ากันไปนะที่จริงเขาให้เดินด้วยความเงียบนะแต่ว่าอดไม่ได้นะพอกระซ้ายเย่หย่าแล้วก็เกิดเพลินขึ้นมา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 ก็มีเรื่องรววาวตอนที่สร้างวัดเซนในซานฟรานซิสโกใหม่ๆเนี่ยนะท่านต้องลงมือสร้างเองเลยนะแต่ว่าโชคดีมีลูกศิษย์มาช่วยสร้างนูกษึงก็เป็นหนุ่มสาวชาวอเมริกันอายุก็ไม่ถึงยี่สิหรือยี่สิบต้นๆนะเป็นพวกคล้ายๆกับฮิปปี้อ่ะนะพวกนี้เขาเริ่มปฏิเสธวัตถุนิยมแล้วก็าศาสนาคริสต์เขาก็มาสนใจาศาสนาตะวันออกโดยเฉพาะเซน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 ไม่ทะลุไม่กระเทือนมาถึงใจถึงเวลาทํางานนะถึงเวลาทํางานนะกายมันทําแต่ใจก็แค่ดูเฉยเฉยซักผ้านะกวาดบ้านขนหินแบกไม้กายทําไปนะใจดูใจดูเฉยเฉนะสบายไหมนี้นะสบายเนี่ยที่เราเรียกว่าสามารถจะสงบเย็นได้เท่านั้นที่เป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์ไม่ได้ทําให้จิตใจว้าวุ่นนะ บางคนไปเี่ยวว่ถ้าไปช่วยคนอื่นช่วยงานการนะมันทําให้ใจว้าวุ่นอันนั้นพราะไม่รู้จักวางใจนะเราสามารถจะทำตัวให้เป็นประโยชน์ทํากิจที่เกือ้อกูลได้โดยที่ใจก็สงบนะเพราะว่ากายทําแต่ใจเป็นผู้ดูเฉยๆนะหรือแค่รู้เฉยๆนะอันนี้เป็นศิล ป, ปะในการทํางานนะศิลปะในการดาเนินชีวิตนะมันเกือ้อกูลทั้งทางโลละทางธรรม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 แบบนี้เนี่ยเพื่อนจะมาเรียอความสงบเพราะไม่รู้หรือตัดการรับรู้เนี่ยมันจะทําให้อ่อนแอได้ง่ายจะทําให้กลายเป็นคนเพงแกตัวได้ง่ายเอเขาทําอะไรกันทั้งวัดเขาทําอะไรกันทั้งชุมชนนะแต่ว่าตัวเองก็หลบนะอันนี้เป็นความอ่อนแอแล้วก็ทําไม่รู้ตัวทําให้กลายเป็นความเพ่งแกตัวได้แต่ถ้าสงบท่านั่งที่รู้สงบรู้สงบเพราะรู้นะนะ เกิดอะไรขึ้นกับใจก็รู้ใจก็เพิ่มก็รู้ใจแฝบก็รู้กลัวก็รู้งี่ก็รู้มันก็ทำให้กลับมาเป็นปกติทำงานใจก็เป็นผู้ดูเฉยๆกายทำไปใจดูแต่ต่อไปนเวลาปวดนะกายปวดใจก็แค่ดูเฉยๆนะใจก็จะไม่ร่วมปวดกับเขาด้วยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะเพราะว่าสักวันหนึ่งเราก็ต้องเจ็บต้องป่วยแลวถ้าไม่ฝึกใจเลยนะ